เออผมอยากจะถามเรื่องในขณะจิตหนึ่งนี่ยฮะสร้างกรรมได้สี่อย่างไหมในอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ขนาดจิตหนึ่งก็ทําได้อย่างเดียวในกรรมหึใช่ไหมฮะได้อย่างเดียวครับคือผมอยากจะโยงไปในเรื่องกรรมสี่หน่อยนะครับครับในกรรมข้อที่สามเคยถามอาจารย์จะบอกว่าคนละวันหนึ่งเนี่ยชั่วดีปนกันใช่ไหมฮะมีกรรมดํากรรมกรรมดํากรรมขาวกรรมดำกรรมขาวปนกันครับ ไมไ่คือถ้าเกอดข้อที่สามตอบแบบนี้ยจะไม่ขัดแย้งกับข้ อ, ข, อข้อที่คําถามจุมถามไหมฮะจะเป็นการละเลยว่าในขณะจิตหนึ่งมันทําได้ก ร, รมเดียวแต่วันหนึ่งเราทำอลายคำนี่เราก็หลาหล า, หลายขนาดจิตมาพนกันค mm hmm. ำทั้งดําทั้ง่าวคือว่าทาํทาทําคนละขนาดแาต่เขาทำทั้งสองอย่างทำทั้งลั้งอย่างก็เป็นคนละขนาดจิตไปด้วยคนละขนาดครับแต่ ว, ว่าทําทั้งสองอย่าง คืออย่างที่ผมเข้าใจตัวอย่างเช่นว่าคุณไปประกอบมิจาชีพแล้วก็เอามาทำความดีเอามาทําบุญเอามาช่วยเหลือเด็กญาติสนอันนี้เรียกว่าทําทั้งกรรมดํากรรมขาวแต่ไม่คนแต่ไม่คนไม่คนขนาดจิตคนละขนาะจิตคนละขนาดจิตก็จริงแต่ว่าทําทั้งสองอย่างใช่ฮะแต่ในวันหนึ่งแต่ที่ผมอย่างที่ผมเข้าใจนะฮะกรรมที่สามเนี่ยผมจะเข้าใจว่ามันเป็นกรรมที่เป็นกิริยาไม่ใช่แปลนหมครเพราะว่าใช่อย่างเช่นอันนี้ที่คนนี้อธิบายดีนะ กคืออย่างเนี้ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากนะครับคือต้องอ่านพระพุทธอธิบายครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจเอาเองพุทธาธิบายว่าไงอนี่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายอย่างนั้นอธิบายว่าคนที่ทําช่างกรรมดีและกรรมชั่วเฆ่ากันอย่างมนุษย์มนุษย์เราที่มาเกิดเป็นมนุษย์เขามีทัานกรรมดีและกรรมชั่วรวมกันทำเคือทําเคยทําท่านกรรมดีและกรรมชั่วมาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับความสุขบ้างได้รับความทุกข์บ้าง อย่างพวกสัตว์พวกสัตว์นรกนี่ทำกรรมดําอย่างเดียวอแล้วก็ไปเสวยทุกข์ในนรกโดยเทพชั้นสุขกินหะก็ทํากรรมขาวอย่างเดียวแล้วก็ไปเสวยสุขอย่างเทพชั้นสุขกินหะอันนี้เป็นพระพุธทธอธิบายนะฮะโอครับไม่ใช่คำอธิบายของผมจะเป็นของพระอรหันต์ก็ทำแต่ ก, กรรมดีอย่างเดียวอครับ<า><า>แต่แต่ก็ประกอบด้วยวิช า, าไปด้วยอรหันต์นั้นท่านไม่ทำทั้งกรรมดีกรรมชัว่วแล้ว ไม่มีกำดีกำชั่วแล้คุณนเาปลาปลาไปฮีโน่แล้วครับครับโอ้เป็นเป็นเป็นกรกำไม่ดำไม่ขาวครับขอบคุณมากนะครับคุณสมพงษ์ครับอคาครับถ้าดาวศริงคงจะหมดเวลานะครับผมอากาศครับเจ็เลยครับครับขอบคุณผ่าใชาวศิงครับขอบคุณแนบแนดีครับ ครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับก็ถือว่าสวัสดีพีเก่าพี่ใหม่เลยสวัสดีปีใหมารย์ปีใหม่นี่ก็ยังเหมือนที่เก่าเหมือนครับเหมือนเหมือนพี่เก่าครับก็อย่างที่เคยคุยกันเมื่อข่าวที่แล้วนะครับว่าอมันก็วันเดือนปีมันก็เท่าเดิมนะครับอ วันจันทถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์อะไรเนี่ยนะฮะเขาอยู่เหมือนเดิมเดือนก็เดือนเดิมปีเก่าเปียโนปีเ่าเปียโนปีก็เปียโนเปียโนสองเดือนนี้แหละท่านอาจารย์ใชครับชื่อชื่อคนก็ชื่อเดิมที่คนก็ชื่อเดิมคแต่สมมติกันว่าเป็นปีใหม่ก็น่าสลดใจทันครับที่คนตายไปเยอะนั่นเองครัวันนั้นผมก็การปีใหม่ครับ คนตายไปทั้งเกือบห้าร้อยห้าร้อยครับอาจนรย์สามร้ยหกสิบสามคนนี่เฉพาะถึงวันวันที่หนึ่งมั้งใช่ไหมอาจารอ่าวที่ราบนะครับชาวที่าบแล้วเห็นหลังจากวันที่หนึ่งแล้วบอกว่าเกือบห้าร้อยคนครับแล้วก็ปัดเจ็บตั้งหมื่นกว่าครับสามหมื่นครับอาจารย์งนั้นเลยห้าสามื่นครัคอผมลาสมัยมากเลยสามหมืนกว่าเลยครับสามหมื่นกว่า ผมได้ยินมาเมื่อคืนนี่หมื่นเก้าพันะมื่นเก้าพันคนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเลยที่อุบัติเหตุเรื่องในเทศกาลที่หยุดยาวอย่างเงี้ยคนตายกันเยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งก็คือเกิดจากความประมาทของตัวของคนขับรถขับรถไปก็สนุกสนานดื่มเหล้าดื่มอะไรอะไรกันไป ทราบข่าวว่าเมาเหล้ามเมาเหล้าโป้มอเตอร์ไซค์เมาเหล้าแล้วขับมอเตอร์ไซค์อันตรายมากนี่ถ้าเปื่อคิดกันให้กว้างออกไปอีกนะว่าเขาตายคนหนึ่งคนตายคนหนึ่งคนเดือดร้อนกี่คนคครครัับบแล้วคนบาดเจ็บคนหนึ่งเนี่ยคนเดือดร้อนกี่คนนะครับถ้าจนถึงกับพิการก็ต้องเดือดร้อนกันเยาอะญาติพี่น้องอะไร ก็ตั้งกี่หมื่นนะอาจารย์ว่าจะปิดครับบอกว่าสามหมื่นตอนแรกก็ผมฟังไว้สองหมื่นห้าตอนตอนที่อยู่ที่ที่ที่ลำพูนนะอาจารย์ข่าวอาจารยพอดีมันห้าวันหกวันเขานับเขานับตั้งแต่วันที่ยี่แปดท่านอาจารย์นะครับแต่ตีตั้งแต่วันที่ยี่บแปดมาจนถึงวันที่สองมึงบอกว่าสามหมื่นกว่ามากที่สุดคือวันที่สามสิบเอ็ดใ่ไหมครับอ่า จริงถ้าเปื่อเมาให้น้อยลงเที่ยวให้น้อยลงเล่นให้น้อยลงกินให้น้อยลงมันก็คงอุบัติเหตุก็คงน้อยลงด้วยหรือว่าถ้าไม่เมาเลยนี่ยจะดีที่สุดเลยฮะถ้าใช่ครั บ, รบไม่เมาเลยนั่นดีที่สุดสํารวจเขายังเป็นห่วงก็ยังให้หกสองสองอ่ะติดเอาค ร, อครับที่สุดจะไม่ทั้งท่สุดสุดหกสองสอง ถ้ากินเหล้าผสมผสมซดาก็หกแก้วครับส่วนเบียกก็สองกระป๋องวายก็สองแก้วครับถ้าเกินนั้นก็ถือว่าเมาครับห้ามขับแต่ปรากฏว่าพอกินแล้วก็ติดลมครับอันนี้ไม่ทราบจะแก้ไขยังไงอาจารย์เคยคิดไงหรือว่า ทำยางไรในเทศกาลต่างๆให้คนเรามีความสำรวมตนมากขึ้นคือว่าไม่เพลิดเพลินไม่หลงไหลในโอกาสอย่างนี้ครับี่ยังควรจะเป็นโอกาสที่จะทำความดีเอาโอกาสที่จะโ อ, อกาสอย่างนี้หยุดหลายวันดีนะเราไปศึกษาธรรมะก็หาความสงบอะไรอย่างนี้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแ้งเยอะ่นที่ในกรณีอย่างรถของ บริษัทที่บริษัทเขาส่งอะไรต่างๆเขาคนก็เน่นเมื่อแน่นก็พยายามที่จะรีบวิ่งไปให้ถึงเพื่อที่จะกลับประละไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันเพราะถเขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติบํารงอะไรอะไรให้ถูกต้องแล้วก็เร่งรีบก็จะทําให้เกิดความประมาทขึ้นมาก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะคนขับรถเนี่ยจะต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นอีก รเราจะบอกว่าเพราะมีการขายเครื่องดื่มคือขายเหล้าได้ไหมได้อาจารย์ก็คือมันก็สัมพันธ์กันนะครับครับาว่มจะห้ามตรงไหนจะห้ามไม่ให้ขายเหล้าหรือจะห้ามจิตใจกันนี้มันมีคนขายก็มีคนซื้ อ, <c oughs> ม, อมีคนซื้อก็มีคนขายมันสัมพันธ์กันอยู่ถ้จาจะให้ดีมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายครับคบสองฝ่ายช่วยกันคนขายก็ขายให้น้อยลงขายให้น้อยลงอย่าถือโอกาสเอากําไรตอนนี้ คนคนกินก็กินให้น้อยลงหรือว่าไม่กินเลยก็ยิ่งดีครา อ, อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเผื่อเราจะปลุกฝังอย่างไรให้คนของเราคิดว่าในโอกาสอย่างนี้เราไปแสวงหาความดีไปทาความดีไปสงบจิตสงบใจไปอ่านหนังสือธรรมะร อ, อะไรก็ได้จะได้ประโยชน์เยอะอ่อปีใหม่กันมาก็ฉลองกันฉลอง ท, ทุกโอกาสครับข้างหน้าก็มีสงการครับ เดินเมษาเนี่ก็สี่วันนอีกมีสงการอีกเนี่ยเขาขอโอกาสที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินกันที่สุดเขาเรียกว่าหาเรื่องตายคนเรียนกันอยู่พระอาจารย์พูดง่ายๆหาเรื่องตายหรือว่าหาที่ตายเออหาภัยเข้าตัวหาภัยเข้าตัวครที่พระพุทธเจ้ามันบอกว่าอบายมกมันชัดเจนเลยนะฮะทางแหความอ่า ทางแห่งความเสื่อมความทิพย์หายความที่ทเหนือประดาตัวถ้าใครไปจับต้องเขาแล้วก็ <c oughs> ยังไม่มีใครที่จ ะ, ะมีความปลอดภัยเนื่องจากการเนื่องการพนันหรือว่าจากอบายามุกเลยนะถ้าจาัดครับว่าพระพุทธพจน์ที่ว่าะจะได้เรื่องอะไรกันนักเพิดเพลินอะไรกันนัก ตัวโล้ตหาโซกิมานันโทฮ่าใช่ครับเมื่อโลกนี้ถูกเผาอยู่ถูกเผาไหม้อยู่ทําไมทําไมไม่แสวงหาดวงประทีปคือญาณเพนนลิดเพลินอะไรกันนักราเริงอะไรกันนักเมื่อโลกนี้ถูกเผาอยู่ลุกเพลิงอยู่ด้วยไฟทําไมไม่แสวงแสวงหาญาณคือปัญญาเอามาเป็นที่พึ่งแก่นตน คือใช้ว่าตอนนี้อไฟไหม้อยู่บนทิศทางของเราอะนะแต่เราก็ยังไม่รู้ตัวว่าไฟไหม้ยังเย่ย่เย่่เลแต่ไม่รู้ชะตาจะขาดอยู่แล้วไฟไหม้อยู่บนทิศทางของตัวเองแล้วครับแต่ยังไม่จำเนืกอแกไม่รู้ว่าภัยกําลังจะมาถึงตัวอทีนี้ก็กลับเข้ามา ครับก็ามาหาเรื่องโยนิโสมในราการนะครับอาจนะอันนี้ก็ภัยพิบัติอะไรที่เกิดขึ้นมางทีก็เขาขาดโยนิโสมขาดโยนิโสมเงินเลยฮะคือว่าคิดอะไรไม่รอบคอบเห็นแต่ความสุขเฉพานะหน้า เ, เป็นความรับอย่างหนึ่งของการดําเนินชีวิตที่ดีนะครับก็คือความฉลาดและความกล้าหาญที่จะเอาชนะความทุกข์ และความผิดพลาดมีบางข่าวเหมือนกันนะครับที่เราต้องทิ้งปัญหาไว้ก่อนแล้วหันไปทำประโยชน์แตวปล่อยให้ปัญหาที่เหลืออยู่คลี่คลายไปเองอันนี้มีบางข่าวที่เรามีปัญหาที่รู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้ครับ<ะ>ยังแก้ไม่ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้คือมันยังแก้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้ก่อน ทิไว้ก่อนก็หันไปทําอะไรต่ออะไรที่เป็นประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์แกตนแก่ผู้อื่นแต่ทิ้งปัญหาไว้ปัญหามันจะคลี่คลายไปได้เองบางทีใช้เวลาเป็นเครื่องอเวลามันจะช่วยคลี่คลายปัญหาช่วย<ะ>คลี่คลายแต่คือบางครั้งเนี่ยปัญหาต่งตางๆมันขึ้นอยู่กับการเวลาใช่ครับเพื่อเมื่อมาถึงจุดนั้นแล้วครับว่าเกิดว่ามันปัญหามัน อาจจะไม่บรรทุกขึ้นมาครับก็ถือว่าจบสิ้นไปครับเมื่อเวลานั้นไปแล้วก็ถือว่าหมดไปครัทีนี้ถ้าหากว่าจะไปมัวประมาทอยู่ก็ไม่ได้นะบอกว่าเออรอให้มันเวลาผ่านไปเลยมันจะได้หมดเองครับแล้วก็ความทุกข์หรือปัญหาบางอย่างหรือความทุกข์บางอย่างมันคล้ายๆหัวสิวครับครับหวสิวถ้าเผื่อเราไปเล่นมันมากเราไปบีบมันไป อครึ่งมันอะไรมันมันยิ่งช้าใหญ่ครับยิ่งช้าแล้วก็ยิ่งเปนแผลเป็นแผลเป็นถ้าเราปล่อยทำไม่รู้ไม่ใชี้ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วมันแตกเองแล้วมันหายเองแล้วหน้าก็ไม่เป็นแผลด้วยคลายปัญหาบางอย่างความทุกข์บางอย่างมันเหมือนหัวสิวครับเป็นหัวสิวก็ให้ปฏิบัติกับความทุกข์บางอย่างปัญหาบางอย่างเหมือนหัวสิวจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นให้มันแตกไปเองให้มันคลายไปเอง ้ากหน้าก็ไม่เป็นแผเปิดไม่เป็นไรที่สำคัญประการหนึ่งนะครับที่คนจะสนใจอย่างมากคือว่ า, เ, าเป็นความลับของการดําเนินชีวิตที่ดีก็คือมีความฉลาดและก็มีความกล้าหาญที่จะเอาชนะความถุกและความผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยครับเป็นแบบเป็น ดีอาร์ดออฟลิฟวิ่จะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตมีความฉลาดและมีความประหารที่จะที่จะเอาชนะความทุกข์แคะความผิดพลาดทีนี้ก็รางวัลที่ประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรานะครับคือถ้าทำได้ก็คือว่าฝึกนิสัยให้เป็นคนหัดคิด เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งอันเนี้ยคืออยู่ในสมนัสิกาครับเนี่ยครับที่พระพุทธเจ้าท่านสรงเรียกว่ายโยนิโสมนัสิกาครับตมันเป็นรางวัลที่ประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเราถ้าเราฝึกนิสัยให้เป็นคนฮัดคิดเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งจะขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไ ป, งไปหรือสาวลงไป จนถึงต้นตอของมันทุกๆเรื่องที่เราสนใจ น, นีจจะเป็นรางวัลที่ดีของชีวิต<ะ>คือไม่ไม่ผิวเืินแต่เป็นคนรู้จริงรู้จริงเข้าใจจริงทำนองนี้นะครับ เ, เรียกว่าโยโยนิโสมนสิการทีนี้ในที่นี้ผมขอพูดถึงโยนิโสมนสิกาณสี่อย่าง นะครับก้าก่อนนี้พูดไว้บ้างแล้วแต่ว่าในที่นี้ขอพูดถึงโยนิสมนสสการสี่อย่างมณัสการสี่อย่างและการที่หนึ่งเรียกว่าอุปายมณสิการต่พิจารณาโดยอุปายอย่างมีระบกเพื่อให้รู้ความจริงให้เข้าถึงสัจจะเช่นเข้าถึงความจริงที่ว่าสิ่งทั้งปวงตกอยู่ภายใต้อำนาจ อันเฉียบขาดของความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีวิธีคิดให้เป็นสุขแม้ในเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์หรือในเหตุการณ์ที่น่าจะทุกข์ปัญญามีปัญญามองหาแง่ดีของสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นแล้วคนอย่างนี้ครับต้องเป็นคนที่มีปัญญาครับ สุภาษิตที่ว่าปัญญาใจโตนโรอิทะอปีทุกเกสุสุขานิวินติตอผู้มีปัญญาในโลกนี้ย่อมจะหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์ที่น่าจะทุกข์หือในในทุกนั่นเองครับหาความสุขได้ในทุกหาความเย็นได้ในที่ร้อนหาโอ้โอเอสิทิ์ได้ในทะเลทรายหาแหล่งน้ําได้ในทะเลทราย อย่บางคนที่ทํางานหนักหรืว่ า, าต่อโซ่กับงานถึงแม้จะเหนื่อยยากลำบากอะไรเแต่มันก็มีความสุขเลยนะฮะครับอันนี้เป็นเป็ น, ปนอุปายะมรณาสิการนะครับอุปายะมนาสิการาพิจารณาเป็อุปายที่เป็นระบบคือว่าบางคนมันตรงเงินก้ามนะครับคือว่าอถ้าเป็นคนโง่ก็จะหาความทุกข์ได้แม้ในเหตุการณ์ที่น่าจะสุขค แต่ถ้าคนฉลาดเขาจะหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์ที่น่าจะทุกข์ก็มองมองหาความสุขได้อยงว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับมันก็ก็หาความสุขได้จากที่ความเป็นโรคนัค่นเองหาประโยชน์หาอะไรจากความเป็นโรคออ่ทําให้เราฉลาดขึ้นอย่างที่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าเป็นโรคทุกทีทำให้ฉลาดขึ้นทุกทีใช่คร <Okay. S 1> ับ ก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันดีน่าหลวงเนี่ยอันนี้คืออุป а ยะมนฑิการนะครับประการที่สองเรียกว่าปัฏฐามนฑิการแปลว่าคิดถูกทางคิดต่อเนื่องเป็นลำดับตามแนวเหตุผลแม้ในทางที่ดีด้วยกันแล้วก็ยังพิจารณาหาทางว่าควรจะดำเนินทางไหนจึงจะดีที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดนี่ก็คือการเลือกวิถีชีวิตนะครับซึ่งก็อยู่ในวิสัยที่เราจะเลือกได้และก็เหมาะสมแก่ตัวเราอันนี้ก็มาตรงกับแนวของปรัชญาเอ็กซิสที่เอ็กซิสเทนเชียลิซึมปรัชญาอัติภาวานิยมหรือปรัชญาที่ว่าด้วยอุรมคติว่าด้วยเสรีภาพว่าด้วยการเลือกคนงนี้นะครับเอ็กซิสเทนเชีย รีสุ่มพวกนะักเอ็กซิสเทนเซียนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพอใจกับไอ้ไอ้ที่เห็นเห็นอยู่ที่เป็นเป็นอยู่คือคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไม่ไม่ใช่กาดสันโดษนะครับถือว่าไม่พอใจไม่สันโดษในกุศลธรรมไม่สันโดษในกุศลธรรมในในทางที่เห็นว่า ดีอยู่แล้ว ก, ก็คิดว่าอะไรที่มันจะดีที่สุดอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีแต่างโน้นก็ดีแต่ว่า ค, คือไม่พอใจในความดีอะไรที่มันดีกว่า <c oughs> แล้วก็อะไรดีที่สุดถ้าเป็นความดีแล้วก็เมื่อสองวันในผมอ่านครับพุทธพจน์ที่พุทธเจา้าแสดงว่าถ้าพระอริยพระสาวกได้คุณธรรม ระดับนี้แล้วพอใจอยู่ในระดับนั้นก็ถือว่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างประมาทอยู่อย่างประมาทถืว่าได้พระโสดาบันแล้วเขาบอกเขาพอแล้วครั้งนี้พอคิดแล้วอย่างนี้ถือว่าประมาทครับท่านไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมในกุศลธรรมนี้ถ้าประมาถ้าไปสันโดษแล้วถือว่าประมาทครับให้สันโดษในปัจเจกสิครับแต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมอันนี้ก็สําคัญ มากเหมือนกันนะครับการประถามมนติการเนี่ยคิดถูกทางแล้วก็เลือกทางว่าทางไหนที่ดีที่สุดเดี๋ยวมันคิดแล้วบางทีมันคิดไม่ออกบางคนคิดแล้วว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวอยู่บ้านก็มีปัญหาไปที่ทํางานก็มีปัญหาไม่รู้จะไปยังไงก็เอาเล่าเลยเนี่ยดีที่สุดหาทางออกทางนี้ มันไม่มีปัญญาอย่างนั้นเลยนะไม่มีปัญญาครับปัญญาเป็นเครื่องกรองนะครับไปวัดพระกระดากลับบ้านเมียกเทศคิดว่านะคิดว่าคิดว่าพระาคิดว่าเมียเทศนะครับแล้วบางทีท่านสอนท่านแนะนําครับอันนี้ไปมันในทางท่านจริยศาสตร์นะฮะครับทางจริยศาสตร์นี่เขาจะสอนเรื่องนี้มาก สอนเรื่องว่าให้พิจารณาหาว่าอะไรที่มันดีกว่าและอะไรมันดีที่สุดและสมมาบุตรนำสมมาบุตรนำเลยซุปเปรีมคูดซุปเปรีมคูดนะความดีที่สูงสุดมันควรจะเป็นอะไรแต่ถ้าถ้ามันอีกหนึ่งอันหนึ่งดีอันหนึ่งไม่ดีนี่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราเลือกได้ง่ายเลือกได้ง่ายแต่ว่าดีด้วยกันเนี่ยมันเลือกยากดีกันเลือกยาก จะมีนคนที่มีปัญญามีมณุษยการมีโยนิสงฆ์นักการถึงจะเลือกทีนี้ในไปเยอะไปดูตัวอย่างอย่างท่านพระยศะเนี่ยกถือว่าเป็นเศรษฐีในยุคนั้นเลยนะฮะมาเกิดจะในถึงได้บอกว่าเอ้ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอครับอันนี้ก็คงจะคิดหาทางออกอย่างนี้ใช่หรือเปล่าะ่านจ๊ะคิดหาทางออกคิดหาทางออกแล้วท่านก็ได้ทางครับท่านได้ทางออก ยังถ้าเผื่อเคยดูหนังนะฮะเคยดูหนังอย่างหนังจีนกับหนังไทยนีย่จะมีลักษณะที่ผิดกันผิดการตรงหนังไทยเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวเอกถ้าเป็นนังเอกก็จะดีมากเลยดีมากแล้วถ้าเป็นตัวร้ายก็จะร้ายมากเลยเป็นจะเป็นร้ายมากแล้วถ้ามีมีมมพระเอกกับผู้ร้ายมีผู้หญิงสองคนเข้ามาในชีวิตเนี่ย ทำมาในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งหรือมีผู้หญิงส<ะ>ามคนจะมีดีอยู่คนอีกสองคนจะไม่ดีคับอ<ะ>ย่างนี้เลือกง่ายครับค่ะอย่า ง, งนี้เลือกง่ายอย่างนี้เลือกง่ายแต่ถ้าเป็นหนังจีนแล้วเลือกยากห<ะ>นังจีนนี่เขาจะดีดีทุกคนเนะี่ยโอเคแตดีคนละอยา่างแตผู้หญิงสี่คนห้าคนหกคนอะไระแล้วแต่สองคนสามคนเลยนะเขาจะดีทุกคนจะดีไปคนละแบบ ด, ดีไปคนละอยา่างทำให้ทำให คนเลือกเนี่ยคเลือกยากพระเองต้องมีปัญญายต้องมีปัญญาต้องมีต้องมีโยนิโสปธะนณสิการรคับโดยท่านในทางกลับกันก็เหมือนกันคืออผู้ชายหลายคนแล้วมีผู้หญิงคนเดียวชอบผู้หญิงคนเดียวผู้ชายจะดีดีคนทุกคนเธอดีคนละอย่างแต่ดีคนละแบบทีนี้เว้นแต่ว่าแล้วผู้หญิงเขาจะเลือกแบบไหนเลือกคนไหนอะไรมันเลือกยากนะครับเลือกยาก อันนี้นพระธรมนาฏิการนี่คือพิจารณาสิ่งที่ดีด้วยกันว่าเราจะทําอะไรที่จะดีที่สุดแ ต, แต่ของเราบางทีก็ดูยาก่ลยนะผู้หญิงนะดูถ้าดูธรรมกครนะ บ, บางคนก็แม้กว่าจะเป็นพระเอกเนี่ยเป็นนางเอกได้ก็ปรากฏว่าเป็นคนใช้บัฒนาเน <c oughs> ี่ยฮะปรากฏว่าทําไปทํามากลายเป็นลูกเจ้าของมรดก <c oughs> ลูกมาเศรษฐี <c oughs> แต่ก็คนเดียวนั่นแหละฮะ <c oughs> <c oughs> ถ้าต่อไปนะครับต่อไปก็าการณะมานสิกการก็สามนะครับการณะมานสิกการแปลว่าคิดตามเหตุแปลว่าเป็นไปตามอํานาจของเหตุไม่ดื้อรั้นดันทุรังในสิ่งที่ไม่สมควรยอมรับผิดเมื่อเห็นว่าได้ทําผิดไปไม่อ้างเหตุผลเข้าข้างตนเองเพื่อ ให้ตนถูกหรือถลา ไ, i, ไปข้างๆคู่คูคิดยืดหยุ่นตามเหตุการณ์อันนี้ดีนะฮะคิดยืดหยุ่นตามเหตุการณ์เชิสีบูลไม่แข็งชือตายตัวจนไม่คำานึงถึงเหตุผลและความจำเป็นประกอบด้วยคุณสมบัติคือการณวสิกตาอันนี้ก็คือ conditionally การณวสิกตาคือ conditionally หรือว่าอิทธิลโล คือว่าถ้ามันมีเงื่อนไขทุกอย่างมันมีเงื่อนไขสมควรจะ เ, เป็นผู้ที่ที่เรียกกันในภาษาบาลีว่ากาลณาวสิกโกเป็นผู้ที่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุไม่ไ ม, ไม่ไม่ดือ้อดันทุรังดำเนินชีวิตถูกต้องตามเหตุการณ์ที่สมควรแต่ไม่ใช่อ่อนแอหรือขาดหลักการ ตัวนี้อยากให้อาจารย์ทั้งสองช่วยสักถามนิดหนึ่งครับช่วยช่วยสักช่วยเพิ่มเติมช่วยคิดอะไรนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีความละเอียดออนค่อนข้างมากนะครับนี่การณ์นาฏิการก็คิดไปตามเหตุไปตามเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขเพราะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ถ้ามีเงื่อนไขอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ จะไม่ถืออะไรตายตัวทื่อๆไปอ อ, อย่างเช่นเช่นพระพุทธเจา้าท่านทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุนะฮ ะ, ะแล้วท่านก็ถอนสิกขาบทบัญญัติแล้วก็ถอนถอนแล้วก็บัญญัติแล้วก็มีผู้บางคนติดเตีนยนว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ เ, เดี๋ยวก็ถอนเดี๋ยวก็บัญญัติเพตุเพราะเหตุที่ว่าพระพุทธเจา้าท่านท่านกาละนวัสิโกเนี่ย ท่านขึ้นอยู่กับความหน้าแห่งเหตุว่าถ้าเหตุมันเป็นอย่างนี้ก็คนต้องทำอย่างนี้เช่นว่าทรงบัญญัติเรื่องออรองเทา้าให้ใช้รองเท้าชั้นเดียวนี่ต่อมาพระที่ไปอยู่ในที่กันดาลท่านก็กลับมากับทูลบอกว่ารองเท้าชั้นเดียวไม่พอเพราะว่าพื้นที่ครุขรับก็ทรงอนุญาตให้เป็นสองชั้นสองชั้นแล้วยังไม่พอขออนุญาตสามชั้น จนกว่าพอจนกว่าจะพอะจนกว่าจะพอคือให้หนาขึ้นตามเรียกว่าตามตามความจําเป็นตามความจําเป็นตามเหตุการณ์ตามเหตุการณ์อท่านจะยืดจุ่นยืดจุ่นอยู่ตลอดเวลาครับเพราะในในศาสนาพุทธนี่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดอกมาอ่าดอกมาคือคือกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่ตายตัวครับะ จะไม่มีต้องบังคับต้องต้องให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ท่านท่าน ไ, <ะ>ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ายออกมาแต่ว่าท่านจะยืดจุ่นไปตามเหตุการณ์มีเงื่อนไขอยู่เสมอมีคอนดิชนาลิตี้อยู่ตลอดเวลาทีน<ะ>ี้มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นกดแรงกรรมาอ่ะกดแรงกรรมมีมียืดจุ่นไหมก็มีเหมือนกันบางครั<ะ>้งก<ะ>็ม<ะ>ีเหมือนกันกดแรงกรรมไม่ใช่กดที่ไตตัวค<ะ>ไม่ใช่กดไตตัว<ะ>ว่า คนทำชั่วเหมือนกันทำความชั่วอย่างเดียวกันแต่ว่าได้รับผลไม่เหมือนกันเรอยู่ที่เงื่อนไขอีกเหมือนกันอก็อยู่ที่เงื่อนไขอย่างที่อาจารย์ว่าทิอยู่ที่เงื่อนไขแล้วคนทำความดีเหมือนกันความดีอย่างเดียวกันแต่ได้รับผลไม่เท่ากันคอยู่ที่เงื่อนไขต่างๆมากมายที่จะถ้ามาเกี่ยวข้องในการทำความดีหรือการทำความชั่วยนั่นโดยที่พระเจ้าท่านตรัสว่า บุคคลคนบุคคลสองคนคนหนึ่งทําทําความชั่วอย่างนี้แล้วตกนรกอีกคนหนึ่งทําแล้วไม่ตกนรกเ น, นี่ยยังฆ่าคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนเหมือนกันอีกคนหนึ่งไปต้นเขาฆ่าคนเหมือนกันอ่าก็อยู่ที่งเงื่อนไขอะไนอยู่ที่เงื่อนไขแต่มันมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะในชีวิตคนอันนั้นทีนี้ก็ผู้ผู้ฟังเ้าไม่ค่อยเข้าใจก็เลยอผมมาให้ฟังว่า มันก็เรือสองลำลอยลำอยู่เคียงกันอยู่เทียบกันอยู่แ ล, ล้วลำหนึ่งก็เอาก้อนหินสิบกิโลสิบกิโลใส่ลงไปในเรือลำหนึ่งจมพอก้อนหินเพิ่มลงไปสิบกิโลจมทันทีเลยอีกลำหนึ่งยังลอยลำได้สบายเพิ่มอีกเป็นยี่สิบกิโลก็ยังไม่จมเพิ่มสามสิบกิโลก็ยังไม่จมทำไมเพราะอะไร ลำแรกอาจจะมีคนเยอะอยู่แล้วอลำแรกมันปริมอยู่แล้วเมลปริมอยู่แล้ ว, ม, ล ม, ลวมันพร้อมที่จะจมอยู่แล้วพร้อมที่จะจบพอเพิ่มน้ําหนักเข้าไปอีกหน่อยเดียวก็จมทันทีแต่อีกกำนึงมันลอยลำสบายสบายอยู่ครับไม่ได้บรรทุกน้ําหนักอะไรเลย อ, อันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จัดว่าคนทําความชั่วเหมือนกันคนหนึ่งไปนรกคนหนึ่งไม่ไป เพราะว่าคนที่ไปนั่นเพราะว่าไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาวันก่อนนี้พูดกับอาจารย์แล้วใช่ไหมฮะเรื่องนี้พูดกรรอาจารย์แล้วแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแต่ว่ามีชีวิตอยู่ดีตลอดดีตลอดอก็ก็ถ้าโดยบังเอิญไปทําความชั่วข้าบางอย่างมันก็ไม่เป็นไร นี่คือเงื่อนไขคเงื่อนไขเรื่องกฎแห่งกรรมที่ไม่คนอย่างเงี้ยไม่อยากจะยกกันนะอย่างเมื่อสองสามวันมาเนี่ยนะก็มีเหตุการณ์ที่เข้ากันอย่างเงี้ยครับเงินมากก็ถือว่ามีเจตนาเงินน้อยถือว่าไม่มีเจตนาเห็นชัดเลยใช่ไหมจัดถือทําอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าทั้งเงินน้อยก็ถือว่าไม่มีเจตนา หางเงินมากแสดงว่ามีเจตนาครับอาจจะเข้าไปได้นะอาจารย์ ء. เพราะฉะนั้น เ, เรื่องของเรื่องของชีวิตนี่เป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขามากคนที่ทําผิดเหมือนกันอาจจะได้รับโทษไม่เหมือนกันคนที่ทําถูกเหมือนกันอาจจะได้รับรางวัลไม่เหมือนกันเพราะว่าเงาื่อนไขไม่เหมือนกันพื้นฐานไม่เหมือนกันคอันจริงแวดล้อมต่างไม่เหมือนกันอย่างบางคนมีเงินอยู่ มีเงินอยู่ร้อยบาทพอไปจ่ายร้อยบาทมันก็หมดแล้วอาจารย์หมดเกลี้ยงเลยบางคนก็จ่ายร้อยบาทยังเหลืออีกตั้งปึกใหญ่เพราะมันมีเงินมากกว่าเงินทุนเขาเยอะทุนเขาเยอะเขาไม่เป็นไรนี่ผมขอต่อข้อ่ะข้อสี่อุปาถกะมนสิการอุปาถกอุปาถกมนสิการคือว่าคิดในเชิงร่าวกุศลธรรมหรือว่าให้เกิดความ เพี้ยนชอบให้หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวหรือในสิ่งที่ไม่ควรกลัวเพื่อให้เกิดผลที่พึงประสงค์พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานแนวคิดคนนี้แก่ภาษาวกอยู่เสมอผู้ที่ทอดถอยในความเพียนผู้ที่ย่อหย่อนในกุศลธรรมให้กลับดำเนินไปพอดีในความเพียนและในกุศลธรรม บางทีก็ส่งเล่าเรื่องในอดีตของเขาบ้างของพระ อ, องค์เองบ้างเทียกว่าชาดกฮะชาดกในบางทีก็มีพระอฝางลกถอยความเพียนเอเวียนมาเกียรติการอะไรท่านว่าโอ้สมัยก่อนนี่เคยไปทะเลทรายด้วยกันจําได้มไหมครับ <Yeah. S 1> ะเคยไปทะเลทรายด้วยกันเธอเป็นคนขุดแล้วพักผัวกก็รอดมาได้ด้วยความเพี้ยนของเธอแต่ทำไมตอนนี้จิง เจ็ดครานไปทำตองนี้นะฮะเรียกว่าอุปาท ก, กามนสิการอันนี้ก็สำคัญในการที่จะให้กำลังใจคนนะครับอาจารย์ครั บ, รบให้กำลังใจทำให้คนที่เขาได้ยินได้ฟังได้รู้ได้อะไรเขาจะมีความรู้สึกมีกำลังใจขึ้นในการที่จะทำความดีการที่จะทาความดี <c oughs> นี่ถ้าอาจารย์ในเรื่องของการที่จะ ปลอบประโลมอายุให้คนทําความดีเนี่ยนะทีมุกก็แม่มุกก็หาเหตุหาผลที่จะมายุให้เขาทาความดีเนี่ยมุกก็ยุยากเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่อธิมุดของเขาด้วยครับครับอาจารย์ฮะคืที่อธิมุดของเขาคืออธิมุดของเขาเข้ากับเราได้แต่ถ้าเผื่ออธิมุดคืออัจฉริยะใสของเขาเข้ากับเราไม่ได้บางทีเรายุเขาก็ไม่ขึ้นครับเอ่อ ครับผมเคยมีอยู่เอสมียนพิมดีตเคยอยู่ด้วยกันนะเขาก็เป็นคนขยันอะไรอะไรทุกอย่างเนี่ยครับเขาก็หวังว่าปีเนี้ยเขาคงจะได้ต้องต้องได้สองขั้นแน่แหละถ้าดูประเมินตามอคุณภาพที่ทํางานแกก็ประเมินตัวของตัวเองจากคนอื่นที่ดูดูเถอะนะแกยังไงแกต้องได้เนี่ยปีนี้สองขันพอเอาเข้อจริงปรากฏว่าไม่ได้ครับ โอ้ไม่ได้เกยก็เสียใจครับผมโอ้อาจารย์ผมกไม่เอแล้วมผมไม่ไม่ทํำแล้วคนอื่นเขาไม่ทําให้เขาได้สองขั้นผมดูเนี่ทําอาจารย์ก็เห็นผมไม่ได้สองขั้นเนี่ยหมดกําลังใจผมไม่ทํำแล้วผมก็บอกว่าอ่านนี่ขนาดขยายขนาดนี้ยังไม่ได้สองขั้นท่า คุณไปเลิกขยันเนี่ต่อไปคุณก็ไม่ได้หรอกจะติดลบอ่ะแล้วก็จะติดลบไปเรืเ่อยๆไม่มีทางได้คันหนึ่งก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นปีนี้คุณขยันขนาดเนี้ยคุณไม่ได้ปีหน้าคุณจะต้องให้ยิ่งกว่านี้อีกครับเดี๋ยถ้าสมมติว่าไม่ขยันไปกว่านี้ก็ไม่ควรจะเสียใจครับเพราะว่าโทษของการได้สองคันก็มีเยอะครับไม่ใช่ไม่มีครับแต่ก็คุณของการไม่ได้สองคันก็มีอยู่ขอให้พิจารณา ให้เห็นด้วยโยนิสโสมนสิการคลโยนิสโสมนสิการเนี่ยครับมันจะช่วยคนให้มองเห็นอะไรที่คนอื่นก็มองไม่เห็นเพราะว่าเนี่ยก็ไม่ได้สองขั้นเนี่ยเขามันมองให้เห็นคุณของจันไม่ได้สองคัญค้น ก, ก็ก็เห็นได้แล้วอย่างอาเทจันเล่าตะกี้เนี่ยพูดถึงว่าคนที่ทําความดีบางคนก็ทอดทิ้งบ่อยครับเขาบอกว่าก็ทําความดีขนาดนี้แล้วอย่างยังได้ดีแค่นี้ยค แล้วถ้าเลื่อเลิกทำแล้วมันจะได้อะไรแตพที่ <Okay. S 3> บางคนถ้ามองในแง่ดีว่ า, าติดคุกก็ดีเหมือนกันนะครับครับอาจารย์อ่อนท่านเคยเล่าให้ฟังเล่านิทานครับเวแล้วบังเอิญว่าตอนนั้นไปติดคุกในนิทานของท่านเนย น, นะครับร็จแล้วพระพวกก็ตามหาตัวไปไปเที่ยวปล้นน <c oughs> หาไม่เจอก็ไปเฝ้าอยนทัพพลพาม <c oughs> ไอ้พวกนั้นก็ถูกฆ่าตายหมด <c oughs> อันนี้ติดคุกอยไม่ได้ไปต้นเขาบอกเลยว่าเออติดคุกที่ก็ดีเหมือนกันนุ่นไม่ตายใน ท, ที่จริงมันทุกอย่างมันมีแง่ดีให้มองนะครับแต่นีขอให้เรามีปัญญามีปัญญาสําหรับมองเนี่ยมันจะมองเห็นแง่ดีของสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นว่าร้ายหรืออะไรนะถึงบางคนเนี่ยมันจะไม่ไม่มองรอบด้านจะมองจะมองอยู่จุดเดียวอะ่ะคจุดเดียวจุดที่ตัวเอง ไม่สมหวังแม่อะไรต่างๆก็จะไปลองดูจุดนั้นแอ่าแต่แ ท, ที่ว่าจะไปดูจุดอื่นบางคนเนี่ยอาจจะจนแต่ว่ารูปสวยก็อาจจะไปไปติดว่าเอะทำไมจนแต่ว่าไอ้ที่รูปสวยร่างกายสมประกอบซึ่งเอาดีกว่าคนอื่นดีเยอะแยะเนี่ไม่ได้ไปดูไม่ดูฮะอย่างที่คนที่ผมพาไปที่อินเดียเี่ยครับี่เขาดูพวกเนี่ย เราอยู่เมืองไทยแล้วบอกว่าโอ้ไม่อะไรมันก็ลําบากเคยมาเจอคนที่เขาลําบากกว่าเราเนี่ยเป็นไงเราสบายกว่าคนอื่นเยอะเลยครั บ, รบมันไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะถึงคนลําบากไม่มีที่สิ้นสุดครั บ, รบเราเราว่าลาบากแค่นี้คนลําบากกว่าเราก็มีครเราสบายแค่นี้คือเรามีร่างกายครบสมบูรณ์เนี่ยเรายังบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้ว แต่คนให้เขาบางคนก็ไม่มีขาไม่มีแขนเลยเนี่ยเขายังเอาใช้ปากวาดลูบอะไรต่ออะไรต่างๆใช้เท้าวาดลูบอะไรแต่เขาก็ยังอยู่ได้ครับอวัยวะครอบถ่วนนี่แหละครับเป็นมหาสมบัติเลยครับรวยที่สุดเลยใช่ไหมฮะไปดูคนที่จนที่สุดเนี่ยแม้แต่แขนแต่ขายังไม่มีเลยครับต้องการเสือกสนไปด้วยอกครับ แต่มันเป็นมหาสมบัติตาข้างหนึ่งเราขายไม่ล้านหนึ่งครับก็ไม่ไม่ขายครับแขนข้างหนึ่งขายไม่ล้านหนึ่งไม่ขายอ่าเราลองบวกดูว่าตาสองข้างแขนสองข้างขาสองข้างหนึ่งหกล้านแล้วไม่ขายปากไม่แวงจมูกไม่วิ่งอีกเมื่อราหาก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะนั้นเป็นของแถมสองเพิ่มโซ่จะตัดจมูกทิ้งจะให้แสนหนึ่งเอาไว้ ก็ไม่เอาอยนะไม่เอเนี่ยเนี่ยมันมันมีสมบัติที่ลําค่าอยู่ประจําตัวนะครับคิดดูให้ดีว่าเราก็มีอยู่ไอสมบัติภายนอกนี่มันก็อาตัวเลขในบัญชีอถ้าคิดอย่างนี้อะไมันก็สบายใจเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับความทุกข์อะไรต่างๆมันก็จะหมดไปเนอทีเราก็ไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นพอไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นปุ๊บเนี่ย มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเอ๊ะทำไมคนโน้นมันจะมีเงินร้อยล้านพันล้านถามว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านมันมีความสุขไหมเรามีแค่เนี้ยเราก็เรามีความสุขไหมถ้าเรามีความสุขเราก็บอกเออใช้ได้แล้วเดี๋ยวมีมากไม่ได้เป็นเครงตัดสินว่าจะมีความสุขส่งไปมันอาจะเป็นเอ่อเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเกิดทุกขราภขึ้นมาขึ้นเ เดี๋ยวพวกขาว่าไปซอดไปเล่นเนื่อยตรงไหนไว้อีกอาจารย์จะเปิดสายตอนไหนครับแก็ชั่วโมงนี้อ่าเปิดชั่วโมงนี้ใช่ไหมครับแค่ชั่วโมงนี้เลยครับก็ขออาจารย์แค่หนึ่งชั่วโมงนะฮะได้อาจารย์อา่าก็เปิดได้เลยครับผมครับแต่ถ้าทุกฟังที่ครับถ้ า, ถ า, าได้ฟังท่าอาจาร ย, รย์ทวศิสิ์อินสระได้พูดถึงเรื่องโย น, นิโสมนัิการทั้งการเสนอไว้สประการด้วยกันคืออุบายยมนัิการคือการพิจารณาอุบายอย่างมีระบบ มีวิธีคิดนะครับประการที่สองปัจมนุิการคิดให้ถูกทางคิดต่อเนื่องประการที่สามการณมนสิการคิดตามเหตุไม่ดื้อรั้นดันทุลังยอมรับเหตุมีความยื ด, ยดหยุ่นแล้วก็ประการที่สี่กุ ป, ปาทกะมนสิการคิดในเชิงเล้ากุศลธรรมนะเป็นการให้กําลังใจคนที่จะทําความดี อันี้ก็เป็นแนวความคิดซึ่งอถ้าคิดแล้วมันก็จะถ้าเราเอาไปใช้ก็จะมีความสุขกับตัวของเราครับในช่วงต่อไปนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาเอาคุณปราณีมาและสวัสดีคุณปราณีครับครับคุณปราณีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พอหาอาจารย์กมลค่ะสวัสดีอาจารย์สินด้วยนะคะครับสวัสดีครับเออก็ เหมือนเอขอบคุณนะคะอาจารย์คือ <c ười> ขอบคุณสําหรับโยนิโสมนัสิกาน่ะนะคะ<ม>แล้วก็ออาจารย์ครับเขาบอกว่าละคังเนี่ยต้องต้องให้คนอื่นคอใช่ไหมคะ <c ười> เพราะฉะนั้นเนี่ยความดีของอาจารย์วสีนเนี่ยหนูก็อยากจะคอเหมือนกันนะนะคะคือ <c ười> <c ười> ท่านเมตตานะคะเมตตาส่งหนังสือจอมจักพรพรรดิโสมมาให้นะคะอาจารย์ก็เลยขอบคุณผ่านทางรายการนี้ไปนะคะใน <c ười> ความมีน้ําใจของท่านอ่ะนะคะแล้วก็หนูก็ แต่งกรือยู่บทหนึ่งนะฮะอาจารย์ให้ให้อาจารย์ท่านโดยเฉพาะนะค ะ, ะได้เลยได้เลย ก, ก็มีนิดเดียวนะฮะอาจารย์ <แฟ S 2> ด้วยสัจวาจาของข้าน้อยจะค่อยๆส่งเสริมพระศาสนาอขออาจารย์ผู้มีจิตกรุณาทุกเวลามีสุขอย่าทุกข์เลยขอขอบคุณต่อปัญญาที่ท่านให้ทั้งน้าใจที่ดีไม่มีเฉยต่อผู้ไม่รู้ไม่คุ้นเคยด่งพังเพย์คบคนดีมีคุณจริง ก็ขอบคุณอาจารย์ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาดาสวัสดีครับข้าวสวัสดีอาจารย์นาจารยมูลด้วยค่ะสวัสดีครับกล่าสวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์ก็สินค่ะครับส่งของขวัญไปยังใครไปกล่าวท่านนะฮะวันนี้ก็สําหรับโยนิโสมนัสกัญนี่ไม่ไม่มีข้อสงสัยนะคะจัดแจ้งดีนะคะแต่นี้เมื่อที่จะแล้วเนี่ยจะถามท่านอาจารย์ เกี่ยวกับเรื่องชะตาชีวิตเนี่ยทีนี้ไม่ไม่มีคือเข้าไม่ได้เลยติดมากก็เลยออยากจะเรียนถามท่านว่าที่คําถามที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยท่านหมายความว่าชะตาชีวิตเนี่ยเมีจริงหรือไม่ใช่ไหมคะที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยอ่าครับใช่ครับท่านะตาว่าคนนั้นถูกลิขิตมาแล้วว่าชะตาชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยมีไหมอ่าเออ ฉะนั้นอยากจะตอบว่าชะตาชีวิตเนี่ยเราเป็นผู้กาหนดเองเพราะว่าเราเป็นผู้กระทาการก ร, ระทาก็คือกรรมรกรรมในปัจจุบันนี่จะทำก็จะเป็นอดีตเพราะฉะนั้นกรรมนี่มันมันเปรียบเสมือนเงาตามตัวใช่ไหมต้องติดตามเราไปเรื่อยก็เป็นอดีตอดีตกรรมในเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้ทำ ท่านบางคนจะชอบแก้ตัวเนี่ยชะตาชีวิตไปโทษชะตาชีวิตที่จริงแล้วต้องโทษตัวเองถึงจะถูกใช่ไหมคะทึานการครับเราเป็นคนสร้างชะตาชีวิตใช่ไหมคะครับค่ะเขก็เข้าใจถูกแล้วนะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุจดาครับ คุณสุทธเดือครับวันดีครับวันดีท่านผู้อยู่ทั้งไม่คุณวนิดาคุณรัชนีนะแล้วก็ท่านอาจารย์กขมลนะครับครับปฏคําหรือคุองขาวครับกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์รัศินกระผมครับถ้าคําว่าโยนวิโสมนักการก็มีประโยชน์ทางปัญญานะเพื่อให้การพิจารณาธรรมโดยเฉพาะในวิปัสสนากรรมฐานนะเมื่อพิจารณาด้วยมหาสี่ประฐานสี่เนี่ยที่ว่ากายเวทนาจิตธรรม ก็คือการพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายให้เป็นไปาตามประไตยรยปัตต์ด้วยปัญญาด้วยมหาสติส่วนพ้นจากอัตตาตัวตนหลงได้เนี่ยก็ผมเรียนถามว่าโพธิปัเทเยธรรมนั้นมีความต้องการต่อการเริ่มต้นหรือไม่สวัสดีครับผมโพธิปัเทเยธรรมโพธิปัตต์ครับโพธิปัทเยธรรมก็มีความสํคาคัญตลอดนะครับทัาน เริ่มต้นทังท่ามกลางทั้งตลอดสายถ่าเป็นองค์แห่งการตัดสู้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงท่ามกลางแล้วไปถึงที่สุดครับตอบเท่านี้นะครับผมครับและท่านมีอะไรที่จะเพิ่มเติมเพื่ให้แใจฮะผมคงไม่มีอะไรครับครับครางหน้าค่อยพูดกันถึงโยนิโสมนัสิการสิบข้อนะครับครับผม วันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์สบายดีนะฮะครับสบายดีครับครับและเมื่อข่าวที่แล้วนี่เราได้พูดถึงเรื่องเมื่อขาวที่แล้วพูดถึงเรื่องโยนิโสมนาธิกาใช่โยนิโสมนาิกาโยนิโสมนาิกาวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง ความคิดแบบโจนิโสมนาสิการสิสิสข้อนะครับความคิดแบบแบบโจนิโสมนาสิการ